ให้อาหารกายแล้วนะกินข้าวต่อไปเราก็หาเวลาให้อาหารใจบ้างอาหารใจเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่ว่าเราเอาใจเรามาหยุดไว้ที่ลมหายใจเพราะว่าเวลาที่ใจมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็กินอารมณ์กินอารมณ์ของสิ่งที่มันไปสนใจนเช่นเราไปดูหนังเนี่ย หรือว่าฟังเพลงใจมันก็ไปกินอารมณ์ของการที่เราดูของสิ่งที่เราฟังบางครั้งมันก็อาจจะทำให้ใจเราเพลิดเพลินเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกพอใจยินดีแต่ถ้าในสิ่งที่เราดูในสิ่งที่เราฟังมันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่พอใจมันก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่เราไม่พอใจนั่นแหละ เราเปลี่ยนปเป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจใจเราก็หงุดหงิดข ม, มัววป็ไงก็คือมันกินอาหารไม่ดีเราเรากินอาหารไม่ดีเนี่ยก็เป็นไงปวดท้องปวดหัวใจเราเวลาที่กินอาหารไม่ดีมันก็แสดงออกเหมือนกัน โดยสภาพของใจมันก็เร่าร้อนขุ่นมัวดำมืดแต่ถ้ากินอาหารที่มันดีมันก็ปรับสภาพให้ใจของเราเนี่ยไปเป็นใจที่สงบป่องใสเยือกเย็นช่มชื่นเบิกบานการที่เราเอาใจของเรามาไว้ที่ลมหายใจ ลมหายใจเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้ทำให้ใจเรารู้สึกแบบเหมือนไปดูหนังฟังเพลงดูก็จะออกจื ด, จดแต่ความพิเศษของมันคือเวลาที่มันอยู่กับลมใจอยู่กับลมหายใจได้มันก็ปรับปับสภาพให้มันกลับมาอยู่ที่ตรงกลางความเป็นกลางความพอดีอยู่ตรงกลาง ไม่ได้ค่อนไปทางดีใจไม่ได้ค่อนไปทางเสียใจปกติแล้วเราก็อยากแสวงหาแต้มบวกให้ใจเรานั่นแหละแต่สิ่งที่มันดีกว่าแต้มบวกนะมันก็คือแต้มที่มันเป็นศูนนแหละการที่เราปรับสภาพของใจเนี่ยได้มาอยู่ที่ตรงกลางกลางจริงๆ ไม่ได้ค่อนไปทางยินดีไม่ได้ค่อนไปทางยินร้ายมันก็ทําให้ความเป็นกลางมันเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันดียังไงเวลาที่เนี่ยที่เรามีคนรักอย่างนี้มีคนที่เรารักเวลาเราคิดเวลาเราแสดงออกหรือว่าเวลาที่มันมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยมัน ความรักเคยความพอใจเหล่านี้มันก็มาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราคิดให้เราทาให้เราแสดงออกไปแบบหนึ่งแต่การที่เราปรับสภาพนห้มันกลับมาอยู่ตรงกลางได้แล้วเนี่ยวิธีคิดวิธีที่เราจะตอบสนองกลับไปมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าใจเรามั น, ค, นค่อนไปทางลบหน่อย วิธีคิดวิธีตอบสนองวิธีพูดนก็ต่างๆกันไปอีกตอนที่เราหมดงิดย์ตอนที่เราวะมั น, นวุ่นวายไม่อยากเจอใครยเงี้ยใครมายุ่งกับเราเราก็พูดจาก็อีกแบบนึงเพราะฉะการที่เราเอาใจของเราเนี่ยมาตั้งไว้ที่ลมหายใจมันก็จะทําให้มันมองโลก ได้อย่างตามความเป็นจริงมากขึ้นเวลาที่เราใจกลางกลาอย่างนี้มองก็มองอย่างความเป็นกลางรู้สึกอย่างเป็นกลางได้ดีขึ้นความเที่ยงทำความยุติธรรมในการพูดในการคิดในการแสดงออกตอบกลับไปนมันก็มีมากขึ้น อารมหายใจนี่ครๆมันก็มีแหละแต่การที่ครที่ดูลมหายใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสงบได้ดีทุกคนกอาจจะสงบบ้างมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปเพราะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้มันต่างกันก็คือความใส่ใจของเราเนี่เองความใส่ใจที่เราจะเอามาตั้งไว้ ที่ลมหายใจมันเริ่มตั้งแต่ที่เราจะตั้งใจแล้วนะาอเราตั้งใจที่เราจะพักผ่อนใจมันก็ไม่ได้อยู่กับลมเต็มที่แต่ถ้าเราเริ่มที่ว่าเรามาทําการงานในภายในอันใหม่เริ่มงานอันใหม่มันก็ไม่เหมือนการพักผ่อนเละเพราะฉะนั้นความกดตอือรือร้นความ แอคทีฟ uh, มันก็เยอะเยอะกว่าที่เราจะคิดว่า เ, ออเราไม่ดูเราไม่ฟังก็เข้าโหมดพักก็นคนละแบบแตอนที่เราหลับตาก็แค่ลดการการการกวนทางสายตาออกไปแต่หูเราก็ยังมีอยู่ความคิดเราก็ยังมีอยู่ร่างกายเราก็ยังมีอยู่ มันก็เป็นสิ่งที่มันกวรรราได้เหมือนกันกวนยังไงก็คือกวนให้ใจเราเนี่ยออกจากงานที่มันกำลังทำอยู่นั่นก็คือการที่เร า, าเฝ้ารู้ลมหายใจแต่เราไม่ได้บังคับลมหายใจนะเราแค่ปล่อยให้มันเป็นไ ป, นปนแบบที่มันเป็นเลคือเราไม่ได้ใส่ใจลมหายใจเนี่ยร่างกายมันก็เอาลมเข้าเอาลมออก เป็นปกติของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเฝ้าดูเฝ้ารู้มันเพราะฉะนั้นเราแค่ย้อนใจเราเนี่ยมาคอยสังเกตว่าเอออันนี้คือลมที่มันกระทบจมูกเรานะเป็นลมขาเข้าที่มันกระทบจมูกเราอยู่ตรงนี้นเวลาลมออกมันก็มากระทบจมูกเราตรงนี้แหละ ก็คอยดูอย่างนี้ดูมันเข้าดูมันออกพอดูอยู่อย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดูนะเราไม่ใช่ลมลมมันจะเข้าลมมันจะออกมันก็เป็นเรื่องของมันเราก็ไม่ได้บังคับอะไรมันก็ทำหน้าที่ของมันลมมันก็ไม่ใช่เรามันก็แค่ทาตามฟังก์ชันของมันะมันต้องมีลมเข้ามีลมออก ร่างกายเนี่ยนะาลมมันไม่เข้าลมมันไม่ออกเนี่ยตายตราใจที่เรายังเห็นลมเข้าเรายังเห็นลมออกเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ากายนี้เนี่ยมันก็ยังดินลมอยู่ได้มันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเอาอไอความรู้สึกเราที่เห็นลมอยู่อันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งจิตใจใจที่เห็นลมอันนี้ส่วนหนึ่ง ในร่างกายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้บังคับเลยนะมันก็นั่งของมันอยู่มันก็มีลมเข้ามีลมออกมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกเอาละไอความเป็นเราอยู่ตรงไหนความเป็นเราก็คือไอที่ความรู้สึกที่มันกําลังเห็นลมอยู่เราก็จะเห็นได้ว่าร่างกายมันก็เป็นไปของมันดติเนินไปของมัน แต่ความเป็นเราคือไอความที่เรารู้สึกความรู้สึกที่เราคอยเฝ้าคอยสังเกตมีสติที่คอยเห็นเนี่ยนี่แหละคือตัวเราธรรมชาติความเป็นเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับร่างกายแถ้าไม่ปกติเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่ได้กำหนดเอาไว้พอไม่ได้กำหนดไว้ความไม่รู้มันก็บทบงัง ควาไม่รู้มันก็เข้ามาทําให้เราความรู้สึกอันนี้กับกายอันนี้มันก็กลมเกลื่กันไปแต่การที่เรามาคอยเฝ้าสังเกตรวมอยู่อย่างนี้คอยดูมันเราก็รู้สึกได้ทันทีเลยแหละว่าลมส่วนหนึ่งใกล้ส่วนหนึ่งแต่ตัวที่เรากําลังรู้สึกว่าอันนี้ลงเข้าอั น, นี้ลงออกเป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราถามกันมัน ถามมันดีๆถามมันจริงๆแล้วเนี่ยว่าตรงไหนมันเป็นเรามากกว่ามันก็รู้สึกได้ด้วยได้ด้วยใจของเราในแหละ ว, ว่าไอความรู้สึกว่าเออไอเนี้ยความรู้สึกที่เรากําลังเห็ น, นกําลังดูอยู่เนี่ยมันเป็นเราที่มากกว่ามากกว่าร่างกายนี้แต่ทีนี้แน่นอนมันก็จะต้องเผลอไปบ้าง เผลอไปทางความคิดหรือไม่ก็เผลอไปทางเสียงหรือไม่ก็เผลอไปทางว่าโ อ, อ้เริ่มเมื่อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นพอมันเผลอไปแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากมนี่แค่ว่าไม่ต้องไปใส่ใจมันมันเผลอไปคิดเกิดจากมันเราก็ตั้งความใส่ใจตั้งความตั้งใจของเราใหม่เอาไว้ที่ลมหายใจที่จมูกเราเลยแหละ ส่วนมันจะเข้าไปไหนจะออกยังไงก็ไม่ต้องไปเสียจใจแล้วก็เฝ้าดูที่จุดเดียวนั่นแหละตรงจุดที่ลมมันกระทบจมูกเราลมมันจะหยาบเราก็รู้หายใจแรงหายใจหยาบลมมันหยาบ ก, ก็รู้หายใจที่มันละเอียดลงไปลมมันละเอียดลงไปเราก็รู้ บางทีนั่งไปอาจจะรู้สึกมไม่มีอะไรทำแต่จริงๆมีเรื่องให้ทำเยอะๆนี่เราเคอยสังเกตไปเรื่อยๆนี่มันก็เวลาที่เราอยู่กับลมได้สักพักหนึ่งแน่นอนใจมันก็โดนปรับสภาพให้อารมณ์ในใจมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในด้านบวกย้อนกลับมาเป็นกลางหรือมันจะลบมันก็ย้อนกลับมาที่ตรงกลาง เราใจมันเริ่มที่จะอยู่ตรงกลางได้มากขึ้นอารมณ์มันเริ่มที่จะอยู่เป็นกลางได้มากขึ้นมันก็ทําให้บางทีเราคลายความตั้งใจของเราออกจากลมหายใจเวลาที่มันสบายมันก็อยากจะพักนั่นแหละบางทแต่ก็ทิ้งงานเราไปพักแล้วอันนี้นก็ยังไม่ดี ฉนันถึงมันจะสบายถึงมันจะสงบยังไงเราก็ไม่พักเพราะเรายังมีการงานที่เราต้องทาอยู่นั่นก็คือคอยเฝ้ารู้สังเกตลมหายใจซึ่งเราก็จะเห็นนั่นแหละว่าลมเข้าลมออกอันหนึ่งร่างกายอันหนึ่งบางทีมันก็คิดบางทีมันก็ไม่คิดอพอเราเห็นความคิดแล้วเราก็ดึงกลับมาที่ลม แลไงเราก็จะเห็นความรู้สึกในใจเราควบคู่ไปด้วยความรู้สึกที่แต่ก่อนมันเป็นอย่างหนึ่งตอนนี้มันก็เฉยๆเงียบๆไปนั้นเราก็จะเห็นได้ถึงความคิดถึงร่างกายถึงความรู้สึกอารมณ์ในใจของเราเราจะคอยสังเกตมันอย่างนี้แหละ ว่าไอ้ น, นี่แหะที่มันประกอบมันเป็นเราอยู่เนี่ยทั้งความรู้สึกคือสติที่คอยเห็นอารมณ์ในใจบางครั้งมันก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งพอใจไม่พอใจบางครั้งสุขบางครั้งทุกข์แล้วก็ความคิดที่มันคิดคิดคิดคิดไม่เคยหยุดไม่เคยห ย, ย, ย่อนมันก็ทํางานอย่างนี้แหละ คนไปวนมาเดี๋ใจเรามันก็เอาไปหาความคิดบ้งางพอเรารู้ทันเราก็ดึงกลับม า, าสักพักมันก็คลายไปอยู่กับความสงบบ้างบางครั้งอา้าวเริ่มเมื่อยเริ่มปวดอา้าวหนีไปแล้วก็คอยไปอยังนี่แหละตั้งความเพียรเอาไว้กับการงานนั้นนี้เกิดอยาให้มันอยู่กับลมหายใจให้ได้เรื่อยๆ แต่สิ่งที่สําคัญในการทำเนี่ยก็คือสติคือความรู้สึกตัวของเรามันต้องลืมตาหลับตาเนี่ยให้มันไม่ต่างกันหลับตาก็ต้องให้ชัดเหมือนลืมตาลืมตาความรู้สึกตัวเราชัดยังไงหลับตาเราก็ให้มันชัดอย่างนั้นถ้ามันไม่ชัดก็คือมันก็เหมือนกันเราก็หนีไปที่เราจะเอาใจเราไปพักผ่อน มันก็จะความรู้สึกตัวก็เจือจางลงไปความรู้สึกตัวมันก็ไม่จังชัดเหมือนตอนที่เราลิงตาแล้วมันก็พาเราไปหลับที่ไม่ก็พาเราเข้าผวังไปแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรมากมายแต่ถามว่า มันดีแค่เบื้องต้นแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้มันดีได้สุดทางแต่การที่เรามีสติให้มันจ่งชัดได้อยู่ตลอดมันก็จะดีได้ทั้งเบื้องต้นท่ากลางแล้วก็ในท้ายที่สุดที่เรามาฝึกกันหรือฝึกเนี่ยบางทีเราใช้คาว่าฝึกสมาธินั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ว ถ้าให้มันพูดตรงขึ้นเนี่ยต้องเรียกว่าเราฝึกสติมากกว่าเพราะเราฝึกสติสิ่งที่สาคัญที่เราอยากจะได้ก็คือสติแต่ส่วนไอความตั้งใจมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแถมไปด้วยแต่บางทีเราอยากจะได้แต่ของแถมอย่างเดียวซึ่งไม่ถูก เราต้องเอาสิ่งที่มันสาคัญก็คือสติเราฝึกสติเราก็อยากได้สติที่มันเป็นสติที่ดีมีคุณภาพเป็นสติที่ทำให้ใจเรารู้ชัดรู้เท่ารู้ทันเป็นใจที่เบิกบานเป็นใจที่ไม่เศร้าหมองไม่ขุนหมัวพอพูดอย่างนี้ก็พูดเหมือนกับว่าไม่เราไม่มีสติเลยในระหว่างวันหรือเปล่าทำไมเราต้องมาฝึกกัน ซึ่งปกติแล้วเราก็มีสตินั่นแหละในชีวิตประจำวันเราเราก็มีสติอยู่ตลอดแต่เพียงแต่ว่าทำไมเราต้องมาฝึกเพราะว่าถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยสติที่อ่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเป็นสติที่ประกอบไปด้วยโลภโทสะโมห oh ะเป็นสติที่เป็นไปเพื่อ ระครับคือความกำนัดยิ น, ด, น, น, ย น, นดีเป็นไปเพื่อความไม่น่ายเป็นไปเพื่อความกำนัดเป็นไปเพื่อความไม่รู้เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถี่มั่นแต่กันที่เราเอาใจของเรามาตั้งไว้ที่ลงหายใจอย่างนี้มันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยค่อยๆห่างจากโลภะโทสะโมหะราคะแล้วมันก็เป็นไปเพื่อ เป็นสติที่เป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพานแล้สติอันนี้ที่เราจะต้องฝึกมันบ่อยๆให้มันเกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำใจของเรา ในการที่เรามีสติที่มันเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกําหนักเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อ涅槃เหล่านี้ทำไปเพื่ออะไรเราก็ทำไปเพื่อที่จะลดทอนความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจของเราแล้วก็ทำให้ความสุขที่มีในใจของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยก็ ถ้าจะพูดให้มันย่อ ๆ, ๆ่ยมันก็เหลืออยู่แค่เรื่องความสุขความทุกข์นี่แหละแต่เราพูดให้มันขยายวงกว้างไปมันก็เป็นเรื่องการงานเป็นเรื่องกินเป็นเรื่องนอนเยอะๆไปหมดแหลแต่ถ้าเราขมวดให้มันเล็กลงกระทบรัดลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะกินไม่ว่าเราจนนอนไม่ว่าเราจะเรียนไม่ว่าเราจะทำงานทำอะไรทุกอย่างแหละ ก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความสุขที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้มันมีความทุกข์ที่มันลดน้อยลงหรือไม่มีเลยแต่การที่มันจะพัฒนาใจของเราไปได้อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเรายังไม่ได้ฝึกแบบนี้ไม่ได้ฝึกตามแนวทางคาสอน ที่พระพุทธองค์ได้ประทานเอาไว้เราก็จะเห็นว่าไอ้สุขทุกข์ที่มันมีมันก็มีมีแล้วมันก็ไปไปแล้วมันก็มาใหม่ใช่ไหมแต่พระพุทธองค์เนี่ยรับประกันให้ได้ว่าการที่เรามาตั้งหน้าตั้งตาหมั่นฝึกสติของเราอย่างนี้มันเป็นเครื่องมือเป็นทางเอกายโนอายังพิเกเวมัโคนะดูก่อนวิกษุ์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกสายเดียวเลย สัจการังวิสุทิยาก็เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นทางเพื่อข้ามโสกปริเทวะคือความโสความร่ำไรลาพันธ์ต่างๆคือถ้าเรามาฝึกอย่างนี้เนี่ยปลายทางที่พระพุทธองค์แสดงไว้แล้วคือเราจะเป็นผู้ที่มีความทุกข์ที่ลดลงแน่นอน แล้วก็พร้อมกับคำยืนยันว่าไอ้ความทุกข์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กลับกำเริบขึ้นมาใหม่ก็เหมือนตอนที่พระยาโกลทัญยักษได้ทูลขอกันอุปสมบทตอนที่ฟังธรรมที่ป่าอิสิพัตนะมฤคทายวันน่ะพอตอนที่ฟังธรรมแล้วก็เกิดการ เข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาก็คือไม่มีอะไรที่มันอยู่ ย, ยั่งยงยืนยงถาวรไม่มีเข้าใจเลยถึงความเป็นจริงของสิ่งสรรพสิ่งว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันดับไปหมดพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยใจมันก็ คลายความยึดถืออะไรไปได้หลายๆอย่างแล้วก็เลยทูลขอผสมบทพระเจ้ากระระทานการบวชให้นั่นแหละจงเป็นพิกโซเธอร์อันนี้ก็เป็นแล้วสำเร็จการบวชแล้วก็จัดต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติรมจรรันเพื่อทำที่สุดทุกขโดยชอบ หมายความว่าถ้าเร า, าทาเดินบนทางสายนี้ไปเนี่ยเราก็จะไปถึงที่สุดทุกได้หมายความว่าถ้าเราถึงที่สุดแล้วเราเลยออกไปเนี่ยมันก็เป็นเขตแดนที่มันไม่มีความทุกข์นะก็มีแต่สุข ล, ล้วนๆป ร, รังสุขขังแม้ถ้าเรายังอยากที่จะ มีความทุกข์ที่ลดลงอย่างจริงๆ จ, จังๆเราก็ควรจะมุ่งหน้าเชื่อมั่นในทางสายนี้ที่พระบุตรเจ้าประทานเอาไว้ให้แล้วก็เป็นทางสายเอกทางสายเดียวด้วยที่มันจะทำให้ถึงที่สุดทุกได้เป็นเป้าหมายที่มีแค่ทางเส้นเดียวแต่มันก็ไม่ได้เป็นทางที่ ไปไปไม่ได้ใครใครก็ไปได้ขอแค่ว่าให้ไปแต่ส่วนมากก็คือเราเดินเดินอยู่เราก็ไม่ชอบแล้วเบื่อแล้วแล้วเราก็ออกจากทางเส้นนี้แล้วก็กลับไปทางเส้นเก่าเราดูทางเส้นเก่ามันจะมีสีสันกับชีวิตเรามากกว่าแค่นี้พออยู่สีสันสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกอืมไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แล้วก็กลับเข้ามาใหม่ ครับเข้ามาใหม่มันก็มาเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่เสร็จแลกลับไปทางเก่าเก่าก็กลับมาทางนี้ใหม่ใหมก็มาเริ่มใหม่ใหม่กลับไปอีกถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจมั่นแล้วก็ลงมือทําอย่างจริงจจังๆเราก็จะมีแตไ่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าก็ไม่ถอยหลัง แต่การที่เราจะมีกำลังใจที่เราจะเดินไปข้างหน้าบนทางเส้นนี้และไม่ถอยหลังกลับได้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรระดับหนึ่งก่อนเพื่อที่อะไรเพื่อจะพิสูจน์พิสูจน์คำสอนว่าผลที่ได้จากการที่นำคำสอนนี้ไปใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อใจผลที่มันปรากฏแล้วมันดีต่อใจ ถึงความทุกข์มันจะไม่หมดไปแต่มันก็เป็นผลผลที่มันแสดงมันก็ทำให้เราคาดเดาแล้วก็เชื่อมั่นลงไปเลยว่าไอ้ความที่มันจะหมดทุกหรือทุกมันหมดไปได้มันเป็นไปได้แน่นอนถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ให้มันดีขึ้นไ ป, ปนละเอียดลออขึ้นไปเข้มข้นขึ้นไป พอผลที่มันได้เนี่ยมันยืนยันเป้าหมายว่าในเป้าหมายที่เขาเคยพูดเขาเคยแสดงมันสามารถทําได้จริงนะไม่ใช่แต่ว่าเป็นสมบัติของคนที่ทําได้คนนั้นคนเดียวไม่ใช่ใครๆเดินเปนทางสิ่ง น, นี้ไปถึงแน่นอนมันก็ยิ่งสร้างกําลังใจให้เราเลยแหละตอบย้ำพอเรามีศรัทธานี้มันหนักแน่นขึ้นไปเนี่ย วิริยะคือความเพียรมันก็มาแหละเรามีวิริยะสติที่เราคอยจะจดจ่อต่อเนื่องมันมันก็ค่อยๆมาตามกันมาเป็นขบวนขบวนนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาการที่เรามีจิตใจที่มันสงบอยู่เรื่อยๆได้เนี่ยแน่นอนคุณสมบัติอีก อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาจากความสงบให้มันก้าวขึ้นไปอีกก็คือการที่เวลาที่เรามีใจเป็นกลางไม่ลำเอียงแล้วเนี่ยเราจึงจะมีคุณสมบัติที่จะมองโลกได้อย่างตามเป็นจริงมองโลกในแบบที่มันเป็นแล้วก็จึงเข้าใจในแบบที่มันเป็นแต่ถ้าใจเรายังไม่สงบใจเรายัง หมุดหงิดฟุงซานหรือยังเผลอเพลินยินดีไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็ไม่สามารถทำให้ใจของเราเนี่ยมองโลกได้อย่างตามความเป็นจริงตามแบบที่มันเป็นพอมองไม่ได้ตามแบบที่มันจริงที่มันเป็นก็ไม่เข้าใจธรรมชาติของมันพ อ, อเข้าไม่เข้าใจในธรรมชาติของมันแน่นอนเราก็จะ เข้าใจในแบบที่มันฝืนธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันเป็นยังไงธรรมชาติของมันก็คือมันก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรเทียทเท่ยงยั่งยืนถาวรเพราะมันไม่เที่ยงแต่ใจเราอยากให้มันเที่ยงไยเพราะอะไรเพราะด้วยความรักความมีความรักมากเราก็จึงอยากจะให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่ยั่งยืนถาวรก็เราไปเรื่อยๆ พอใจมันค้านกับความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์เหลือบันี้เพราะวันหนึ่งที่มันจะต้องพัดพปล่าหรือที่มันแตกสลายไปไม่มันก็เราอย่างนี้มันก็ทําให้ความทุกข์มันกระเทากระเทือนใจแหละพอกระเทากระเทือนใจเราก็รู้สึกพอมันทุกข์เราก็ไม่อยากทุกข์แต่ทำไมมันถึงทุกข์ ก็ย้อนกลับไปเพราะว่าเรามีใจที่มันไม่ไม่คล้อยตามกับความเป็นจริงนี่เพราะอะไรที่ทําให้ใจเรามันไม่คล้อยตามความเป็นจริงก็เพราะใจของเรามันไม่ได้หมั่นที่จะพิจารณาให้มันได้ตามความเป็นจริงและสาเหตุที่อะไรที่มันทําให้เราพิจารณาแล้วมันไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริง ก็ย้อนกลับมาตรงนี้«ว่าแล้วใจของเราเนี่ยมันสงบเป็นกลางได้หรือยังเพราะนี่มันเป็นเงื่อนไขการที่ใจเราสงบเป็นกลางแล้วเนี่ยมันก็จึงมองโลกได้อย่างตามความเป็นจริงแต่ถ้ายังไม่สงบไม่เป็นกลางมันก็มองโลกไม่ได้ตามในแบบที่มันเป็นมันก็จะเข้าไปเกณฑ์ใจยากหรือมองมันก็ยังมองเฉียวเชียวเหมือนจะจริงแต่มันก็เกิดจะจริงแต่มันยังไม่จริง เพราะฉะนั้นความสงบ ม, มันก็จึงเป็นกระดกระดแรกที่เราจะต้องทำให้ได้ความสงบใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเราก็ควรจะต้องมาฝึกสติเพื่อที่จะเท่าถันใจทำความสงบใจให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสงบใจพื้นฐานมันก็ไม่อยู่ที่สติเราอันนี้แล้วการที่เรามาคิดพิจารณาพื้นฐามันก็อยู่บนสติอีกเหมือนกันแล้วการที่เรา รู้จักใจของเราว่ามันสวนทางกับความเป็นจริงแล้วแล้วเราก็สอนมันเพราะนั้นสติที่มันเท่าทางใจมันจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญในการที่จะทำให้เราสงบใจก็ดีหรือพิจารณาให้ใจมันเข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจพ อ, พ, อาพอรู้รู้มากมากรู้รอบมันก็ บาลีเขาก็ใช้ศัพท์เขาว่าปัญญานะญาณนะก็แปลว่ารู้ปัญญาปะก็แปลว่าทั่วก็คือรู้มันทั่วแล้วนั่นแหละเพราะว่าความจริงมันก็ไม่ใช่มีแค่แคด้านเดียวใช่ไหมมันก็มีหลายๆด้านให้เราเข้าใจมันนั้นเราต้องรู้ให้มันทั่วเอาว่าจะได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยคุณสมบัติจากการที่เราเข้าใจ มันก็ทำให้เราเห็นว่าสาระแก่นสารจริงๆแต่เดิมเราคิดว่ามันมีสาระมีแก่นสารแต่พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยคุณสมบัติมันก็จะทำให้เราเห็นถึงความไม่มีแก่นสารของมันนี่แหละความไม่มีแก่นสารที่มันทิ้งแท้ความไม่มีสาระที่มันแน่นอนเราก็ ไม่ไปยึดไม่ไปถือไม่ไปเอาอะไรกับมันมากเท่าเกา่าพะกันที่ใจไม่ยึดไม่ถือมากเกินความพอดีแน่นอนว่าเรื่องที่มันจะมากระทบใจมันก็ลดลงเรื่องที่มันกระทบใจลดลงมันก็ต้องมีความสบายที่ใจเพิ่มมากขึ้นเป็นอัตโนมัติอยู่แล้ว ไปกันสติก็จะมีเรื่องที่เป็นถ้าเหมือนเป็นการกัดกระดุมก็กัดกระดูมเม็ดแรกเราต้องกัดให้มันถูกเสียกอ่อนเพราะงั้นการที่เรามีสติที่เราจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้แต่ไม่ใช่ว่าไป บ, บีมันด้วยแบบอยากให้มันดีอยากให้มันแต่มันไม่ได้ เพราะนั้นใจมันไม่ได้อยู่กับลมแล้วอย่างนั้นใจมันอยู่กับความอยากเราก็แค่คอยเฝ้ารู้พยายาให้ใจมันเป็นกลางๆรู้ไปดูไปเห็นความอยากในใจเกิดขึ้นแล้วก็ช่างหัวมันก็เหมือนความคิดนั่นแหละความคิดที่มันดึงใจเราออกไปจากลมแล้วก็ช่างมันเป็นใช่ไหมแต่ทีนี้เราละเอียดละอ้อขึ้นไปอีกโอ้ใจเราไป นอนแช่กับความสงบ ส, สบายเราก็ดึงมันกลับมาหรือไม่มันมันไปอยู่กับความอยากอยากที่จะว่ามันนั้นนั่งดีนี่ว่ามันมันจะต้องให้มันได้เหมือนเมื่อวานต้องให้ได้เหมือนวันนั้นพอเรารู้ตัวปุ๊บเราก็ดึงกลับมาที่ลาหายใจการทำอยู่อย่างนี้แหละตาให้เกิดความชํานาญไปเสียก่อน